อนาปฏิวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ737 1. ริภิกษุณีผู้ที่ฐานภายในอรุณขึ้น2อภิกษุณีผู้วิกลว้ภายในอรุณขึ้น3าภิกษุณีผู้สละให้ไปภายในอรุณขึ้น 4. ีภิกษุณีผู้มีบาศูนหายภายในอรุณขึ้น5้ภิกษุณีผู้มีบาศิบหายภายในอรุณขึ้น 6. กภิกษุณีผู้มีบาแตกภายในอรุณขึ้น 7. ภิกษุณีผู้มีบาทถูกโจรชิงเอาไปภายในอรุณขึ้น8ปภิกษุณีผู้มีบาทถูกถือวิสาสาเอาไปภายในอรุณขึ้น9กภิกษุณีผู้วิกลจริต10บภิกษุณีผู้ต้นบัญญติ